นี่คื อ, อการเปิดธรรมที่ถูกปิดผ้าออนไลน์ทางเพียวธรรมะดอทคทุกสัปดาห์ก็จะมากับคุณหมอรัตพงศ์กลับกลับนักการและกลับสวัสดีท่านผู้ฟังครับกับผมทันตแพนะทย์รัตพงศ์กรดกวิรุนจากกรุงเทพครับอัลมาก็พระไพบูุญเราเราก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังตอนนี้เป็นเอพิซอดที่เท่าไหร่แล้วคุณหมอหกามครับหกสิบสามแล้วเป็นเอพิซอดที่เราได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของหลายๆเรื่องในปีตั้งแต่ปี5455มานี้เนาะ ครเนะครั บ, รบเออเราก็ได้เปิดประเด็นเรื่องอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมซึ่งเมื่อตอนที่เราได้คุยถึงเรื่องของการเรียนภาษาบา<ช>ลีเราก็แจ <ขอ S 1> ้ง <ขอ S 1> ให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายทราบด้วยว่าตัวอรมาเองเนี่ยก็ไปก็เรียกว่าลงทุนลงแรงแล้วก็ใส่ความพยายามไปในการที่จะเรียนภาษาบาลีครับซึ่งตรงนี้ก็มีแง่มุมประเด็นที่เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนลัจากที่พูดไว้เมื่อคราวที่แล้วครับเป็นยังไงครับท่าน คือเราเรามองเราเรียนเนี่ยเพื่อเราหวังสิ่งที่เป็นพุทธวจนะครับเราเราเรียนทั้งร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยเราหวังส่วนที่เป็นสิบเปอร์เซ็นตนั้นก็จะไหมคือถ้าคุณคุณเห็นว่าไอ้เกาสิเอร์็นต์นี้โอ้โหไม่ได้เรื่องเลยคุณโยนทิ้งหมดสิบเอร์เ็นคุณไม่ได้อันนี้ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งคือเรามองเนี่ยเราไม่ได้ไปวิเคราะห์ไอ้เจ้าตัวเก้าสิเปอร์เซ็นเรามองเนี่ยเราหวังเจ้าหกสิบเปอร์เซ็นนั้นคื อ, อเรามองพุทธวจะนะสิบเปอร์เซ็นต์ที่ ทำมบทหรืออะไรนีใช่ใช่ถูกต้องนะพอเรามองอย่างนี้ไปเสร็จปุ๊บเราก็จะเข้าใจว่าเออมันก็ยังดีเนาะอืมอืมเราก็ยังสบายใจว่าอย่างน้อยเราก็ยังหวังส่วนที่เป็นสิบเปอร์เซนตนั้นเพราะถ้าถ้าเราไปมัวแต่จมปลักอยู่ตรงส่วนที่เป็นเก้าสิบเปอร์เซนตนั้นเนี่ยอ้มันก็จะผ่านไม่ได้อืมครับอจิตก็เราจะไปจะไปต่ อ, อยากนะเราก็เลยมองส่วนที่เป็นสิเปอร์เซนนั้นซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องกับหลายหลายท่านเหมือนกัน นะอย่างคุณอะไรที่เขียนข้อมูลให้เพิ่มเติมขึ้นมาครับ ค, รคุณปณิธิดีนะใชค่คุณปณิธิก็กล่าวถึงเรื่องว่าการที่จะศึกษาคือพุทธวจนะเนี่ยดีแน่นอนดีแท้แน่นอนแต่ว่าอาจจะต้องศึกษาอย่างอื่นในในประเด็นของเรื่องราวที่ที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความสมบูรณ์อันนี้ก็ ค, คื อ, ค, อคือศึกษาเรื่องอืนอ่นๆเนี่ยยังไงเราก็ต้องศึกษาเพื่อที่จะดึงกลับไปที่พุทธวจนะอ น, นะครับเ อ, อ่า ศึกษาเพื่อดึงกลับไปที่ปุตตะวัชนะถ้าเรามีปัญหาเข้าสงสัยอะไรต่างๆอย่าไปสงสัยในส่วนที่เป็นเก้าสิบปอร์ซ็นตนั้นอย่าไปสงสัยในส่วนที่ไม่ใช่ปุตตะวัชนานั้นเราก็ไม่ควรฟังคือถ้าได้ได้ยินมาเราก็กก็็ฟังไว้แต่คือไม่ได้ทําไว้ในใจอย่างดีแต่สิ่งที่เราจะต้องทําไว้ในใจอย่างดีนั่นคือสิ่งที่เป็นปุตตะวัชนบก็ยังเหมือนเดิมอยู่คครรัับบะอืก็เข้าใจครับอืมแล้วก็มีประเด็นตรงนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องปุตตะวจชนะก็คือว่า เราเรียนเรียนไปเนี่ยนะเพื่อเพื่อหวังสิ่งที่เป็นภาษาบาลีด้วยนะเราเข้าใจภาษาบาลีมากขึ้นจะทําให้เราเข้าใจสิ่งเรี่เปนพุทธวจนะได้ดีมากขึ้นนะได้ดีพุทธวจนะอื่นๆที่เขาไม่ได้สอนในที่นี้อ๋อใช่ครับที่ยังมีอยู่ใช่คือตัวภาษาบาลีเหมือนสะพานที่จะทอดไปสู่เอ่อจะเรียกว่าอะไรคุ้มคุ้มรัพย์คุ้มความรู้อ่าคุ้มซับแห่งความรู้อันใหม่เลยครับเพราะว่าเพราะว่าในประเทศไทยมันก็มีระบบอย่างเนี้ย แล้วต่ว่าก็ไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนก็พอมีอาจารย์สอนแบบนี้เราก็ได้เรียนได้อืครับเอาต่อไปในเรื่องประเด็นของเรื่องการเรียนภาษาบาลีก็คิดว่าค่อนข้างจะเคลียเราวราได้พูดไปแล้วมีประเด็นอะไรอื่นอีกไหมคุณหมอรัตพงศ์ในเรื่องอื่นๆมีคําถามมีคําถามอืมากพอประมาณในในตอนนี้วันนี้เนาะใช่ครับถ้าจะร้อยเรียงขึ้นมาก็เรื่องของคุณปณิทิตนะครับยังมีคําถามต่อคุณปณิทิตครับคุณปณิทิตถามเกี่ยวกับเรื่องของอ ตันหาอุปทานแล้วก็ฉันทะอื ม, อมอนะครับอย่างเงี้ยอย่างกรณีของอะมาไปเรียนอประสันบาลีอย่างเงี้ยครับคือเราต้องสอบให้ผ่านคือสอบไม่ผ่านไม่ได้เราต้องสอบให้ผ่านไ<ๆ>อ้ไอ้ไอ้ آ, ตรงเนี้ยที่ว่าเราต้องสอบให้ผ่านเนี่ยมันเป็นตัญหาหรือว่ามันเป็นอะไรกันแน่ <Within. S 1> ใช่ไหมอันนี้จะสอดคล้องกับปัญหาของคุณปณิติที่ถามเกี่ยวกับเรื่องของว่าอ่ฉันทะเอยอ แล้วก็ตัณหาเอยบางทีเราต้องตั้งใจในการทำงานถูกไหมตั้งเป้าเอาไว้แต่ถ้าบอกว่าไม่สำเร็จนีก็จะรู้สึกเครียดใช่ครับอย่างนี้แสดงว่ามีมีตัณหาหรือไม่ครับคือคุณนิทากว่าถ้าตั้งใจทำงานแต่ว่าไม่สำเร็จก็คือก็จะเกิดความทุกข์ซึ่งเป็นความเครียดใช่อย่างนี้ แล้วก็กอีกสุดโตง่ตงอีกข้างหนึ่งก็คือว่าเนี่นก็ไม่สนใจอะไรสิน้นทำตามไปอย่างเงี้ยไม่สนใจเลยลเออว่าเป็นไงก็ช่างหัวมันไม่ต้องไปที่กับมันอย่างนี้มันจะถูกรหรือไม่นะอืเราต้องทํามาทําความเข้าใจใคือภาษาไทยเนี่ยมันมันมีความกลมกล่อมวันนี้อาตมาได้เคยพูดไปในราการธรรมารับพรุณที่พูดกับคุณเตือนใจออกอากาศไปเมื่อวันเสาร์ที่24มีนาที่ผ่านมาอคถ้าใครจะไปฟังในรายละเอียดนั้นก็ก็มีอยู่เป็นกัน อย่างไรก็ตามในรายการนี้เราจะพูดที่มันละเอียดลงไปกว่านั้นอีกนะครับคือได้พูดถึงในภาษาไทยเนี่ยเขาใช้คําว่าอยากอ้อ่างย่ อ, อยักษ์สระกอไก่อยากเนี่ยมันแปลว่าคือต้องการอยากใช่ไหมแต่นี้ ค, ความอยากมันมีหลายระดับนีตัณหาหก็แปลว่าอยากเนี่ยพระอรหันต์ตื่นเช้ามาเนี่ยตื่นเช้ามาหิวข้าวมาหิวอยากกินข้าวไหมาอยากเอา้านี่มีตัณหาสิพระอรหันต์นะ ม, มันไม่ใช่ไงตัณหาที่พระเจ้าระบุไว้ชัดเจน ต้นหาเนี่ยแปลว่าความอยากแต่ถ้าเรามาแปลว่าความอยากแล้วเราเอามาใช้แปลสิ่งต่างๆนี่นะมันมันจะทําให้เราสับสนเพราะอยากอย่างดีก็มีอยากอย่างชั่วก็มีครับทีนี้มันเป็นประเด็นที่ผู้อื่นเนี่ยที่ยังไม่เข้าใจคําสอนพระเจ้าชัดเจนเนี่ยเขาก็มาถามได้ว่าเอ้ในเรียสสีเนี่ยคือมีคนที่ยังสงสัยในคําสอนพระเจ้าอยู่เนี่ยก็มาคุยอัตมาให้ฟังแต่ก็เป็นชาวมุสลิมอย่างเงี้ย เข า, ม า, มาเมื่อกูถามอออริยสัีเนี่ยเขาอธิบายได้ถูกต้องชัดเจนเลยนะมามดะบอกน้ำผึงทุกสมุทยัยนีร้รถมาร์กอะไรต่างๆพออธิบายเสร็จปุ๊บเออเขาพูดเขาทายแต่พอมาอีกตรงหนึ่งเขาบอกว่าเอเอไอตรงระบบ ก, การทํางานของอริสสี่เนี่ยนะเขาพูดอย่างนี้เพราะผมว่ามันทํางานด้วยกันอยู่ไม่ได้นะมันเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่เองไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าในการที่คุณจะเจริญมาร์กเนี่ยคุณจะต้องมีความอยากเอาลักความอยากเป็นเหตุของความทุกข์ ค, กคุณบอกคุณต้องรักความอยากในขณะเดียวกันแล้วถ้าคุณไม่อยากแล้ว น, นั่นครับเพราะถามมากงนี้ปุ๊บเขาเลยคิดว่าโอ้ยอริยาสัตยนี้เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้ล้มลา้มมางไปครับวางกันมาเล่าฟังฟังนี้แล้วคิดว่าไงก็เขายังเข้าใจได้ไม่ลึกซึ้งครับครงนี้เราจะอธิบาย <c oughs> เรื่องความอยากว่าอย่างไงครับคือความอยากอาจจะเป็นคือตัวตัวความอยากนี่มันกำกวมในความหมายจริงๆครับอืมงั้นเราใช้คําแบบพุทธเจ้าดีกว่าเนาะคือใช้คําว่าตัณหา ตัณหาในพระเจ้าบอกว่าให้ d e ฟ i n i t i o ให้ความหมายไว้ชัดเจนให้นิยามไว้ชัดเจนว่าคือตัณหานี้ใดนี่คืออันใดก็ตามที่นําความเกิดใหม่ให้เป็นปกตินะอันนี้ข้อที่1คือเกิดใหม่2เป็นไปกับด้วยความกําหนัดนะสด้วยอํานาจความเพลินนะมักเพลิอนอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆคือเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นนันสอย่างก่อนนะ1นึ่เกิดหใหม่มีสเตตัสใหม่ฉะนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ มีความอยากมีอยากเป็นเกิดขึ้นอันนี้อันที่หนึ่งี่คือความเกิดใหม่สมมุติว่าฉันไฮโซนะฉันจะต้องใช้ไอโฟนนะความที่ ค, คุณจะต้องมี iPhone เนะี่ยเพื่อความที่ฉันจะได้เป็นไฮโซเนี่ยนั่นะคือคื อ, ค, อคือมีตันหาแล้วเข้าใจไหมฉันมันโลโซนะฉันจะต้องใช้โ Noki ียรุ่นธรรมดาธรรมดาความที่คุณเปยึดว่าคุณจะต้องใช้โนเกียธรรมด า, ดาเพื่อสแสดงออกความโลโซของคุณ น, ะนั่นแหลคุณมีตันหาแล้วเป็นตันหาเหมือนกันครับอันที่สองเป็นไปกับด้วยความกําหนัด ความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินมมักเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นะั้นๆกำหนัดสองเพลินสามเข้าใจไหมกำหนัดเนี่ยกำหนัดนี่มันชัดเจนอยู่แล้วคือตาหูจมูกลิ้นกายห้าอย่างครรัับบคความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินในตาหูจมูกลิ้นกายมักเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆนะพออารมณม์นั้นๆปุ๊บพระเจ้าก็พูดถึงอ่าตัณหาทางกามนะคือความอยากทางกามกามนี่คือตาหูจมูกลิ้นกาย อ, อันนี้คืออันที่หนึ่งอายตนะทางกายอสองแต่สาม คือคือคือปัญหาเนี่ยมีคุณสมบัติ3อย่างอย่างแรกนะมีคุณสมบัติสามอย่างเนี่ย แ, แล้วก็ยัง <Observ> แบ่งได้เป็น3มลักษณะคือแบ่งได้เป็น3ามกองคือตัญหาทางกาะคือ แ, แต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติไอ้สอย่างแรกนั้นหมดเอาใหม่สามอย่างแรกเนี่ยคือ ABC นะครับแล้วก็แบ่งเป็น1 2, นึสองาไอ้หนึ่งสองสามเนี่ยมีคุณสมบัติ ข, ของ ABC หมด ABC คือเกิดใหม่ B คือกำหนัด C คือเพลิน เกิดใหม่กำหนัดเพลินมีในกาฏฏาณาเกิดใหม่กำหนัดเพลินมีในวิภวะตาณาเกิดใหม่กำหนัดเพลินมีในภาวะตัณาพอใจตาณาถามว่าภาวะตาณากับวิภาวะตาณาคืออะไรก็คือความอยากมีอยากเป็นตาณาในความมีความเป็นส่วนวิภาวะตาณาก็คือตาณาความอยากในความไม่มีไม่เป็นอยากที่จะไม่มีอยากที่จะไม่เป็นไมม่ีครับอยากที่จะไม่มีอยากที่จะไม่เป็นอย่างเช่นคุณไม่อยากเป็นไฮโซคุณเลยต้องมาแกงแกล้งว่าฉันใช้โทรศัพท์โนเกียกระจกกระจก อันนั้นคุณมีวิภาะตัณหาเพราะคุณมีความอยากที่จะไม่เป็นไม่มีครับอันนี่คือตัณหาลักษณะของตัณหาทีนี้ตัณหามันจะเกิดปัญหาอย่างไรคือมันจะทําให้เรามีความกําหนัดความเพลินความลุ่มหลงมัวเมายึดมั่นถือมั่นตัณหาเป็นไปสู่ความยึดมั่นถือมั่นเข้าใจไหมครับตัณหาเป็นเหตุของความยึดถือถูกป่ะพอเรายึดแล้วเนี่ยไอ้ตัณหาเนี่ยนะมันมันเหนียวมากหมืนเดิม มันยืดมันเหนียวมันข้ามพบข้ามชาติมันยืดเข้าไปในคุกตารางมันยืดกันข้ามจังหวัดข้ามประเทศนะคนอยู่คนละประเทศมันยังยืดไปหากันได้ด้วยสายโทรศัพท์คนยังอยู่ข้ามโลกกันไปได้เนี่ยตายไปแล้วอีกคนหนึ่งมันยังยึดถือกันได้ด้วยข้ามพข้าาชมพบข้ามชาตินะมันไม่ใช่ยึดเราคนเดียวมันยังยึดคนอื่นด้วยนี่คือลักษณะของเจ้าตัญหาตัญหาครับทีนี้อีกคําหนึ่งที่บรญเช้าใช้ นั่นคือคำว่าชันทะนะชันทะก็ ừ, ดีก็มีชันทะชั่วก็มีนะฉันทะเนี่ยแปลว่าความพ อ, พอใจความพอใจความพอใจเนี่ยเราเอาไปตั้งไว้กับสิ่งดีนั่นคือคือดีล่ะฉันทะอย่างที่ไม่ดีพระพุทธเจ้าใช้คำว่าชันทะราคะา ừ, ที่<ช>ไปตรวจวสอบมาเนี่ยบางทีฉันทะเนี่ยก็มีทั้งดีและไม่ดีแต่ส่วนบบคําว่าชันทะราคะเนี่ยใช้แต่ในความหมายที่ไม่ดีไม่ดีฉันทะเฉยๆดีก็มีไม่ดีก็มีนะชันทะราคะมีแต่ไม่ดี แะตัณหามีแต่ไม่ดีเพราะฉะนั้นอย่างในคําบาลีเนี่ยฉันทัก็ตามฉันทราคะก็ตามตัณหาก็ตามนี่รวมเรียกกันภาษาไทยว่าอยากทั้งสิ้นครับก็ใช่ไหมอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็จะมีคําว่า want คําว่า desire คําว่า need อะไรพวกนี้นะก็จะมีความหมายแต่ต่างกันไปมีความหมายบูรบต่างกันไปอันนี้เราจะไม่ไม่อธิบายในที่นี้เราชุตรแปภาษาไทยอยากก็ตามพอใจก็ตามพวกนี้เป็นคําที่ปนปนกันมีความหมายปนปนกัน อยากใช้ในทางดีก็มียัดใช้ในทางชั่วก็มีเพราะนั้นเราพูดให้ตรงกับสิ่งที่เป็นพุทธานานะว่าตันหานี้ไม่ดีแน่นอนนตันหานี้ไม่ดีแน่นอนนะฉันทะความพอใจคุณตั้งไว้ในสิ่งที่ดีมันก็เป็นสิ่งที่ดีขึ้นมานะถ้าคุณตั้งไว้ในสิ่งที่ดีอันนั้นจะเป็นเหตุของความทุกข์ฉันทะอันนั้นเนี่ยจะเป็นเหตุของความทุกข์ครับคือฉันทะฉันทะราคะเลยใช่ไหมที่จะไม่ดีครับฉันทะเฉยๆที่แปลว่าไม่ดีไม่ดีก็มีบางทีระยะก็ใช้ฉันทะในสิ่งที่ไม่ดี แต่ว่าชันทะที่ใช้ดีก็มีคือชันทะเนี่ยทำให้บางคนเข้าใจว่าเป็นเป็นความไม่ดีทั้งหมดคือชันทะที่เป็นมักรก็มีชันทะที่เป็นเหตุของทุกข์ก็มีครับคือคือมันเป็นทั้งสองทางก็ใช่ไหมถ้าคุณตั้งไว้ในการเจริญโพชฌงค์คุณตั้งชันทะไว้ในการเจริญมัคคิองแอันนั้นแหละเป็นเป็นเป็นชันทะที่เป็นมักร์แต่ถ้าคุณตั้งชันทะไว้ในการที่พอใจในกาม อันนั้นเป็นชันทะที่เป็นเหตุแห่งทุกข์อันครับฉัน t h ตัวนี้เป็นส ม, มุทยัยแต่ถ้าคุณตั้งฉันท h a ไว้ในการทำความเพียรฉันท h a อันนี้เป็นมรกถ้าคุณตั้งชันทะไว้ในการเสพกรามฉันท h a อ, อ, อันนี้เป็นส ม, มุทยัยเหตุแห่งทุกข์ใช่ทีนี้มันต่างกันยังไงในในทางปฏิบัติอ ย, อย่างเช่นคำรถอย่างนี้รถติดมากเลยหมดรัยงครับ อยากเต็มที่เลยอยากไปถึงออฟฟิศเล ย, เลยวันนี้มีงานด่วนประชุมครับมันมันมันมันมันอยากมากๆนะคือเป็นคืออยากนะนี่เดี๋ยวฟังให้ดีก่อนนะอยากนี่ไม่ใช่ว่าอยากน้อยๆแล้วมันจะดีนะไม่ดีนะความอยากแม้น้อยนิดหนึ่งก็ไม่ดีนะใช่ครับไม่ดีไม่ดีเพราะว่ามันมันเป็นยางเหนียวต่อให้ยางเหนียวแห้งไปแล้วเนี่ยมันยังมีพิษของยางเหนียวนะคืออวิชานะต้นหาอวิชามาคู่กันอนะ่าใช่ครับคือเพือเห็นมันแห้งเนี่ย เดี๋ยวมันไม่แห้งจริงหรอกมันยังมีพิษของมันซึมอยู่ข้างล่างนั่นคืออภิชาเพราะฉะนั้นถ้าเรานั่งสมาธิสบายใจอยู่เนี่ยคุณอาจจะยึดในในความสบายใจนั้นก็ได้สบายครับอืมยังบางที่เราวางไปแล้วอย่างเงี้ยบางที่เรายังไอยึดไอ้ที่วางเราไว้นั่นอีกอ่ะยึดไอ้คำว่าวางตรงนั้นลงไปอีกโอ้โหนี้ต้องเป็นสภาวะอะไรสภาวะหนึ่งแน่ออันนี้ของฉันเสร็จเลยตอนนี้ไอ้ตรงนั้นวางเราไปแล้วไอ้ก่อนนั้นวางไปแล้ววางไปแล้วเสร็จปุ๊บไปยึดไอ้ตรงที่ที่สภาวะที่วางนั้นไปอีก นี่มันมันเอากันหลายต่อใช่ครับเพราะพราะฉะนั้นไอ้ตัณหาเนี่ยมันมันมีทั้งมีแต่ข้อที่ไม่ดนีนในทางปฏิบัติอย่างเช่นอะไรบ้างตัวอย่างที่เคยยกให้ฟังก็คือว่าอย่างพ่อพ่อมีลูกสองคนครับลูกทั้งสองคนก็ลูกคนหนึ่งคือพ่อก็บอกลูกทั้งสองคนนะว่าลูกทำความสานห้องนะเดี๋ยวพ่อจะพาไปดูหนังลูก ค, คนแรกนี่ท่องสกป ร, รกเอาสกป ร, รกก็ทำความสานห้องเพราะว่าอยากจะไปดูหนัง ความอยากตรงนี้ของเขาเนี่ยเป็นเป็นตันหาตันหาส่วนลูกคนที่สองก็ทําความสะอาดห้องเพราะว่าอยากจะให้ห้องสะอาดนั่นคือห้องของเขาสะอาดอยู่เป็นปกติอยู่ละครับแต่เขาก็ทําความสะอาดบางซะเพื่อที่ว่าอยากจะให้ห้องสะอาดแต่ว่าเปินมันนั้นอาจจะไปดูหนังไม่ได้ฝนตกบ้างไฟดับบ้างลูกคนแรกนี่จะแบบจี้ขึ้นมาทันทีอืมครับเพราะมีตันหาทุกมากครับเพราะว่าไม่ได้ตามที่ต้องการส่วนลูกคนที่สองนี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่า ก็ทําไปเพื่อห้อยห้องสะอาดได้ดูก็ไม่เป็นไรได้ไม่ได้ดูก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเกมฑ์หนึ่งในการที่จะวัดว่าอันนี้เป็นตันหาหรือเป็นฉันทะเนี่ยก็คือตรงที่ว่าเราจี๊ดไหมล่ะอถ้าไม่มีไม่ได้คุณไม่พอใจไหมคุณพอใจลุ่มหลงมัวเมาไหมเป็นอย่าี้ถ้าคุณยังเป็นสังสองโต่งคือหมายความว่าบางทีก็จี้ขึ้นมาไม่พอใจเอาแค่ว่าขุ่นมัวขึ้นมานิดหนึ่งก็ก็ถือว่าเป็นตนหาแลนะครับ <N> <อ>คือสมมุติว่าเราต้องการสิ่งนี้ไปบินตาบาดอย่างเงี้ยหมอพระพววันนี้อยากกิน อ, อมันสมันไก่อะไรเงี้ย น, นะหรือว่าอยากกินเย็นตาโฟอย่างเงี้ยไปบินตาบาดไอ้ร้านที่มันใส่ให้ประจํามันไม่ใส่ให้อ่าหรือว่าร้านที่มันใส่โจ๊กให้ประจําวันนี้ฉันอยากกินโจ๊กคิดว่าวันนี้จะต้องไปบินตบาดต้องได้แน่อนอนมันไม่ใส่ให้ไม่ใส่ให้รู้สึกเครือง อืวันนี้เขาไปไหนเนาะทําไมไม่ใส่ให้เนาะวันนี้ฉันจะกินอะไรฉันจะอยู่ยังไงมันเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยแต่เพราะว่านี่คือตัณหาโอครับเครืองนะเครืองครับเครืองไม่ได้ตามที่ตอนมีแต่ความอยากมีความกําหนักใช่ทีนี้คนที่ไม่มีตัณหาเป็นยังไงเออเราก็จะคิดว่าโอ้เขาได้ทําทานดีนะคนที่ทําทานแล้วดีครับเป็นบุญกุศลของเขาคิดแค่นี้เอง อ่าแล้วถ้ามีอาหารที่ถูกธานุเราก็กินมีอาหารที่ไม่ถูกธานเราก็ไม่ต้องกินอย่างเงี้ยอืมครับก็คือไม่ไม่ได้ยึดยึดอะไรอืมก็ยังเป็นอนุโมทนาเขาได้ทําบุญได้ทําบุญด้วยการให้ทานครับกลับมาที่ตัวอย่างของของลูกที่ว่าลูกที่ทําความสะอาดควาสะอาดห้องครับเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกันเนี่นะแล้วเอามันนํามาเกี่ยวข้องกันติดกันได้เนี่ยด้วยอํานาจของตันหา ครับอย่างเช่นว่าห้องสะอาดกับการดูหนังเนี่ยมันไม่เกี่ยวการหมอลพงใช่ครับ<อ>ไม่เกี่ยวมัน<อ><ช>ม า, าติดกันได้ด้วยหน้าของความอยาก<ม>ด้วยหน้าของความยึดถือด้วยหน้าของตันหามันจึงมาติดกันได้อะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกันในโลกนี้แหละนะหมอลพงอย่างเช่นว่าอาคุณจะประท้วงหรือว่าเขาจะออกกฎหมายใหม่มาตาอะไรก็แล้วแต่เนี i̇şte ่ยครับสมมติว่าออกมาตาสักมาตาใดมาตาหนึ่งนะมรอลพงแล้วมันไปเกี่ยวข้องอะไรกับที่ฉันจะทําอาชีพแล้วได้เงินมากหรือได้เงินน้อยไหมอ๋อมันมันไม่เกี่ยวนะ แต่คุณเอามาติกันได้เข้าใจไหมเพราะคุณเามาติกันได้นั่นแหละคืออำนาจอำนาจของตันหาทั้งฝ่ายที่อยากทั้งฝ่ายที่ไม่อยากอเข้าใจไหมเข้าใจครับอยังใครจะเป็นนายกแรัฐมนตรีอ่ะมันมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับที่ฉันจะทําความดีได้เข้าใจไหมฉันจะถือรักษาศีห้าได้ฉันจะเลี้ยงลูกอย่างมีความสุขฉันก็ทําได้อยู่แล้วไม่ว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วมันเอามาเกี่ยวกันว่าไม่ได้สังคมจะไม่อยูไม่เป็นสุกนั่นแหละตันหาล่ะครับ ก็จะไหมอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกันด้วยหลักเป็นเหตุเป็นผลนะแล้วอะไรที่มันเกี่ยวข้องกันอย่างหลักด้วยหลักเป็นเหตุเป็นผลมาละทงขึ้นหนึ่งเอ็นเลยคอย่างเช่นว่าทําทําคุณทําห้องให้สะอาดเพราะว่าคุณรักความสะอาดอนี่แหละวความพอใจไงคุณพอใจในความสะอาดคุณจึงทําความสะอาดห้อง응เป็นเหตุเป็นผลโดยตรงถูกต้องอย่างเราเราออ่ไปบิณฑบาตเราพอใจในการที่ได้สร้างบุญสร้างกุศลใ น, น บ, บุคคลได้สร้างบุญสร้างกุศลเราก็ พอใจแค่นี้ครนะเราพอใจในการที่จะยังอัตราภาพให้เป็นไปด้วยการอาหารบินตาบาดเราก็พอใจแค่นี้ครันึกออกไหมเราก็จะเป็นพอใจแค่นี้แต่อะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกันฉันต้องกินโจ๊กอย่างเงี้ยมันไม่เกี่ยวข้องกับการที่คุณจะต้องไปบินตาบาดทางนี้เข้าใจไหมคุณไปบินตาตาทางไหนคุณก็มีอาหารกินอย่างเงี้ยครับแต่นี้มันก็ละเอียดนะคือตรงที่ว่าสมมติอย่างถ้าท่านที่ท่านที่มีโจ๊กแล้วหรือว่ามีเยนตาโฟแล้วเป็นอาหารที่ถูกธาตุอย่างเงี้ย แต่ไหจะต้องการไปบินตบัตรทั้งนั้นเพื่อได้อันนี้มาอย่างเงี้ยนะอืก็แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่จีต่ะนี่แน่นอนอออืมถ้าไม่มีตัณหาทีนี้อย่างกรณีของขับรถ่เออถ้าคนขับรถถ้ามีตัณหามากเนี่ยนะคือมีตัณหาน้อยๆก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะคือไม่ดีมีตัณหาเนี่ยไม่ดีทั้งสิ้นทีนี้มากหรือน้อยมันจะอยู่ที่ระดับความโกรธถ้าคุณมีตัณหามากๆเลยนี่ยนะคุณทุบรถเลย คุณลงไปด่าคนเลยใช่ครับมันติดนี่คุณเอาปืนยิงหลยนี่คือมีตัณหามากจริงครั บ, รบถ้ามีตัณหาน้อยคุณก็จะครึงๆ อ, อยู่ในจิตอ่าอาจาจะบ่นกับคนบนข่ข้างๆหรือถ้าไม่มีคนข้างๆก็โทรบ่นกับคนอื่นนะคนโทรไปบ่นคนที่ออฟฟิศรออยู่อย่างเงี้ยแต่ถ้ามีคุณมีตัณหาน้อยหน่อยแต่ถ้าคุณไม่มีตัณหามีความพอใจฉันนะอยู่ก็โทรไปอธิบายกับเขาหรือว่าก็เอางานอื่นมาทํานั่นคือจิตมันจะคนละเรื่องกันนะมรดโทงอืมจริงครับจริงครับอันนี้ ใช่ครับจิตมันจะเป็นคนระแบบกันครับเลราะนที่แสดงก็จะต่างกันเพราะนั้นจุดสมดุลตรงนี้อยู่ที่ไหนจุดสมดุลตรงเนี้มันอยู่ที่ว่าเอ๊ะชีวิตของเราเนี่ยเราจะเราจะตั้งเราจะตั้งเป้าหมายในชีวิตดีไหมเออถ้ามันมันมากเกินไปมันจะเป็นยังไงน้อยเกินไปมันจะดีไหมอย่างเงี้ยนะเอาเอาพูดตรงนี้ให้เข้าใจยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าดีกว่าพระพุทธเจ้าถูกเขาเด็กเลี้ยงวัวเนี่ยเอาไม้มาจี้หูแล้วก็ปัสสาวะรถ Oh. พระเจ้าไม่โกรธนั้นด้วย ค, ความปรารถนาสมาสัมโพธิญาณอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ อ, อ, อตรงเนี้ยเป็นฉันทะเข้าใจไหมมันมันละเอียดมากคือไม่ใช่ตันละเอียครับทีนี้เราจะอาจจะบอกได้ว่าเอ้าถ้าคุณมีความอยากเป็นอยากเป็นพระุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นตัณหาสิอือออันนี้ก็จะพูดอย่างนั้นก็ได้นะเพราะตอนนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่เป็นพรนะพุทธเจ้าครับ ก็คือยังมีตัณหาอยู่ว่าบงนเถอะครับครับยังมีตัณหาเต็มเต็มเลยเพราะฉะนั้นก็ยังมีความอยากที่จะเป็นพระุทธเาก็ยังมีภาวะตัณหาอืมครับก็พูดอย่างนั้นก็ก็จะได้นะครับอืมเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ระบุเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นตัวเลขของคนที่เขาไม่มีตัณหาแล้วนะความความต้องการตรงเนี้ยเป็นฉันทะครับอืมอย่างพระุทธเจ้าอ่ะบรรลุธรรมแล้วใช่ไหมเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเอาทําไมมาแสดงธรรมอ อยนี้เรียกว่าอยากให้คนอื่นบรรลุตามนี้เรียกว่ามีตัณหาไหมเออจริงๆก็คือไม่ไม่ใช่ตัณหาใช่ไม่ใช่ตัณหาแต่เป็นฉันทะครับเป็นฉันทะที่ต้องการให้คนอื่นนีทุกครับมีมีทุลีในดวงตาแต่น้อยเนี่ยได้เห็นสิ่งที่แต่จริงครับอันนี้จะเห็นได้ชัดเจนกว่านั้นตัวอย่างเนี่ยใช่ใตัวอย่างนี้ชัดมากเลยครับใช่เพราะฉะนั้นในความที่เราตั้งความปรารถนาอะไรไว้สักอย่างได้อย่างหนึ่งนะ อคือประเด็นที่หนึ่งเราจะต้องไม่ไม่เครียดในสิ่งนั้นคือถ้าคเครียดนี่คุณไม่มีทางได้แน่นอนไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นตระหนัหรือไม่เป็นตนระหนัเลยเพราะว่าถ้าเครียดแล้วเนี่ยนะจิตคุณไม่เป็นสมาธิจิตคุณไม่เป็นสมาธิคุณไม่มีทางที่จะตัดสินใจทําอะไรให้มันดีขึ้นมาได้ยากอืมครับสแสดงว่าถ้าปฏิบัติธรรมวางจิตให้ถูกต้องเราก็จะไม่เครียดซึ่งความเครียดก็เป็นต้นเหตุของโรคสารพัดโรคนั่นแหละครับพวกนิวรอทั้งหลายเนี่ยใช่ใช่ครับโอ ความดันเอ่ยมะเร็งอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้เชื่อมโยงกับความเครียดเกือบทั้งนั้นเลยนะครับใช่ฉันท้าเนี่ยแปลง่ายๆว่าความพอใจเราพอใจในสิ่งนี้เราไม่พอใจในสิ่งอื่นครับสิ่งอื่นมาเราเราไม่เอาเราเอาสิ่งนี้เกิเราสมมติคุณพอใจในสีอย่างเงี้ยคุณพอใจในเรื่องของความดีอย่างเงี้ยอะไรดีๆมาเราเอาอะไรทีไม่ดีมาเราไม่เอาอย่างนี้นะครับชัดเจนละเอียด ยิบย่อยเลยนะครับเดัะนั้นเราเราควรจะละตัณหาใช่ไหตัณหาเป็นสิ่งที่ควรละครับนะชันทะเราก็ทําไปาเพื่อ <cioè> <hacia> ทะจะละชันทะเฉเรญ<ห>ชันทะเพื่อละชันทะอันนี้เป็นคําของพระอานุนโอ้เจริญชันทะเพื่อละชันทะครับอในขณะเดียวกันตัณหาอยาให้มีในจิตครับ อ, อ, อันนี้ก็นําไปปฏิบัติในชีวิตได้นะครับเรียกว่าในทุกเรื่องเลยนะครับเราะว่าก็จะมีสิ่งเหล่านี้ยมา มาทดสอบเราอยู่ตลอดเวลานะครับใช่ครับเรื่องเรื่องความเครียดเนี่ยมันอาจจะแปลมันอาจจะไม่ได้แปลผัน ก, น, ก น, กนกันกับตัณหาด้วยนะ<อ>มันอาจจะแปลผันกับเรื่องของผัสสะที่ที่เร า, ารเราม า, มากระทบแล้วเราจะบางจิตยอย่างไรตัณหานี่ก็เป็นเป็นเหมือนกับหัวลูกศรทีนี้แผลเนี่ยก็คือเจตัวตาหูจมูกลิ้นกาย <Ừ. S 2> ทีนี้บางที่เราหาลูกศรไม่ได้เนี่ยเราก็อย่าให้มาอะไรมาโดนแผลก็แล้วกันโดนแผลคุณก็ล้างแผลให้ดีอาการล้างแผลให้ดีป้องกันไม่ให้แรงมาโดนแผลก็คือการสมรสอินทรีย์ด้วยครับมันก็ก็เกี่ยวข้องกันว่าออคุณปฏิที่ก็ต้องสมรสอินทรีย์ด้วยนะแล้วก็สมรสมินทรีย์แล้วก็ยังต้องคอยที่จ ะ, ะมีสติอย่างเงี้ยถึงจะถึงจะ ถึงจะ ล, ะละความเครียดได้นะนี่พูดถึงเรื่องความเครียดหรอครับคราวนี้ก็ต้องต้องฝึกนะครับเหมือนมองฝึกฝึกฝึกเป็นอ่าทีนี้พอเราพูดถึงแยกเป็นคอมโพเนนต์แยกเป็นจุดๆออกมาอย่างนี้นะเป็นองค์ประกอบอามาอย่างเงี้ยแล้ววิธีปฏิบัติทํำยังไงอืมปฏิบัติจริงๆนะครับปฏิบัติจริงๆก็ไม่ยากอะไรเลยน้ำมัส<อ>มีเส้นทางเดียวมัคคือขนทางอันเอกในที่เมื่อคุณเดินแล้วคุณไปถึงแน่นอนมีทางสายเดียวในมีองค์ประกอบแปอย่างหนึ่งในนั้นคือสติ นะคุณแค่ว่ า, าคุณมีสติอยู่ในลมหายใจอสัมมาสติเข้ามาเลยนะจะโกรธแล้วจะคิดไปชั่วจะไหลไปกามนะว่าเออฉันมีเงินสักพันล้านฉันไปเที่ยวรอบโลกอานนานานา น, า น, านหยุดกลับมาที่ลมหายใจลมหายใจเลยแล้วก็รู้ลมหายใจต่อไปวิธีปฏิบัตินะก็คือให้มีสติอยู่ในลมหายใจคุณตั้งความพอใจไว้อะไรก็ได้ทีนี้มันเป็นเงี้อ่ยเวลาเราตั้งเป้าหมายในชีวิตอะไรสักอย่างอะไ่าหนึ่งขึ้นมาเลยนะ คือ ค, คือคือเราจะทรงจิตของเรายังไงให้จิตของเราเนี่ยมีสมาธิคุณได้ยินเป้าหมายคุณนึกถึงเป้าหมายในชีวิตของคุณคุณก็จิตเป็นสมาธิแล้วก็ไม่ได้ไหลไปในความอยากคือคือมันจะเป็นสสุดตร ง, งนี้นะหมอทศพงสมมติ ค, คุณตั้งเป้าอะไรไว้สักอันใดหนึ่งมันไม่อยากลุ่มหลงไปเลยนะก็คิดว่าอ่ามันเป็นไปไม่ได้ไเลยอ๋อปฏิเสธหมดเล ย, ยงเงินพันล้านอย่างเงี้ยครับใช่ไหมถ้า ค, คุณลุ่มหลงไปเกินไปก หัวที่หัวทิมเบาเลยหรือที่หัวดำใช่ครับหรือว่าถ้าคุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็โยนมันทิ้งไปเลยแบบไม่สนใจไม่ทําไม่แะไรสิ้นอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นอีกสุดตรงข้างหนึ่งที่พระเจ้าเสนอทางอะไรทางสายกลางทางสายกลางทํายังไงคือฉันทะนี่แหละฉันทะเป็นเป็นมารคนะเราพูดถึงมาร์กในลักษณะทางสายกลางนะทำยังไงคุณต้องหาจุดสมดุลตรงนี้ให้ได้พรชาพูดถึงความสมรุลแห่งธรรมพอมีฉันทะแล้วจะมีความเพียรพอมีความเพียรแล้วคุณจะ ใครครวนซึ่งทําพ่อใครครวนซึ่งทําแล้วคุณจะหาจุดสมดุลของทำนั้นได้คุณเจริญชันทาก่อนชันทาเสร็จปุ๊บคุณทําเลยเจริญชันทาวันนี้ไอ้ทํายังไงวะยังทําไม่ได้ไม่รู้ทําไงทําไงดีอา้าวทำความเพียรก่อนทําความเพียรลองดูคุณไปสมัครงานคุณทําธุรกิจคุณทํานั่นทํานี่ดูเพื่อหาจุดสมดุลแห่งทำว่าจิตของเราจะทรงไว้อย่างไร คุณนะหาจุดสมดุลของจิตเราพูดถึงเรื่องจิตนะววเร า, เ<อ>ายังไม่ได้พูดถึงเรื่องวิธีการด้วยซ้ำไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นเลยนะเราพูดนะถึงจิตของคุณก่อนนะว่าจิตของคุณจะดํารงสมดุลไว้ที่ตรงไหนพอดํารงสมดุลได้แล้วเนี่ยให้ตั้งไว้ในซึ่งธรรมนั้นอยู่ไปเรื่อยๆก็ใช่ไหมครับคือ<ๆ>จิตที่เป็นทางสายกลางที่ไม่สุดตรงสองข้างคือกําหนัดลุ่มหลงมัวเมายึดตือนี้อันหนึ่งหรือไม่ก็คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ น, นีก่ก็อีกสุดตรงด้านหนึ่ง แล้เราเอาตรงกลางๆตรงกลางๆคุณจะรู้ได้ไงคุณต้องหาสมุลแห่งธรรมคุณจะทําสมุนลุนแห่งธรรมให้เกิดขึ้นได้ยังไงคุณต้องมีผัดความเพียรคุณจะทำความเพียรได้คุณต้องมีความ พ, ามพอมมใจคือฉันทะครั บ, รบเพราะ ค, รคุณมีฉันทะก่อนแล้วคุณจะหาจุดสมุนลุนของฉันทะตรงนี้ได้โดยที่จิตของคุณก็ไม่ไม่มีนิวรแล้วก็วก็ประมาณนี้แหละแล้วก็มี ค, ความมีสมาธิเดินอยู่ตามหลักไดค้ครับครับอยู่ตงนี้ อาริมรตมีองค์แปดบางันเถอใช่ครับอืมครับก็แหมคุณปณิทธิตาเดี๋ยวได้ฟังก็คงยจะครับคือทําได้เราตั้งความพอใจไว้อย่าไปคิดว่ามันไม่ได้ถ้าคุณคิดว่าไม่ได้คุณคุณไปหลุดไปละแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณฝันอมยิ้มเหมือนฝันกลางวันอย่างนี้อันนี้คุณก็หลุดไปละคุณไม่ได้ทรงอยู่ในสมดุลแห่งทําได้คุณจะทรงจิตให้อยู่ในสมดุลแห่งทําตรงนี้ได้คุณจะต้องมีความเพีย สิบเอ็ดขั้นตอนอย่างการบรรลุซึ่งธรรมมาท่านคงจำได้ไหมอ๋อจำได้ครับที่ภาระทวชาใช่ใช่ตอนนเราพูดถึงแค่จิตจจตอนหนึ่งนะตอนนี้เราพูดถึงจิตนะพอเราทําจิตอย่างนี้ได้แล้วเนี mm. so ่ยเป็นจ nah ิตที่สมุนลุนอยู่ในสมุลุนแห่งธรรมะเนี่ยคืออยู่ตรงกลางๆงทางที่3าเนี่ยนะทางที่เป็นทางสายกลางเนี่ยนะคือไม่ใช่อยู่ตรงกลางนะคือไม่ใช่ว่าเราบอกว่าอยากมากๆไม่ดีอยากน้อยๆจนกระตั่งถึงว่าคิดว่าไม่ได้ก็ไม่ดีงั้นเอาอยากกลางๆงไม่ใช่ไม่ใช่ เรากำลัลงพูดถึงทางที่สามที่ไม่ได้อยู่ตรงกลางคือโยนสองทางนี้ทิ้งไปเลยอืมครับทางที่สามทำเลือกที่สามที่ไม่ได้อยู่ระหว่างสองทางนี้ก็เรียกว่าทางสายกลางครับ ท, ที่มาปฏิปทานั่นคือเดินตามมรรคครับเฮ้ น, นี่อาจารยมากำลังพูดถึงวรวบหมดเลยนะหมอฤทธิพงศ์เข<ช>้าใจ<ช>ไหมจิตคุณเป็นสมาธิด้วยคุณมีสติด้วยคุณเอ่ยมาพูดใส่หูเราว่าไอ้เธอไม่มีทางทําได้หรอกไอ้นี่มันฝันกลางวันมันเพ้อเจ้อเราก็ไม่สเตือนใช่ไหมเราต้องหาสมุนลิน แห่งทำตรงนี้ของจิตของเราให้ได้นะแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ลุ่มหลงเฟ้์แปว่าฉันจะซื้อรถยี่ห้อนี้ดีซื้อบ้านที่นี่ดีก็ไม่ต้องขนาดนั้นครับคือไม่เป็นอย่างนั้นเลยหล่ะอืมครับนี่นะครับก็มีมีคาถามต่อเนื่องอีกอ่เรื่องของการแผ่เมตตานะครับจะ อันนี้คือประเด็นเรื่องของฉันทะกับันทะันทะกับตันหาคือคิดว่าคนจบแค่นี้นะถ้าคุณปฏิทิมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ถามมาได้อีกครับสรืว่าจิตเป็นอนัตานะครับนะครับใช่ใช่แล้วก็จิตเนี่ยมโนวิญญาณเนี่ยเป็นหนึ่งในขันทังห้านะจิตเกิดดับตลอดเวลาชานสี่ก็ตั้งอยู่ในอุเบกขาครับอุเบกขาก็ไม่ให้ยึดเพราะอุเบกขาก็ดับไปได้นะครับก็ให้คิดว่า นั่นไม่ใช่ของเราเอ่นั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ของเราและนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนั้นเมื่อจิตหลุดจากอุเบกขาก็อาจจะหลุดไปที่ทุกข์หรือสุขท่านก็บอกว่าไม่ให้ก็คือคำสอนบอกไม่ให้เกี่ยวเอาทุกข์หรือสุขแล้วก็มไม่ให้ตั้งไว้ในความเพลินในอุเบกขาเท่ากับว่าไม่ให้เกาะอะไรเลยใช่ไหมครับงงคือแปลเาว่าพุทธเจ้าใช้คาว่าสลัดคืนคือเนอเป็นธรรมชาติของจิตที่จะไปเกาะเกี่ยวอะไรแล้วก็ปัดออก ปัดออกปัดออกเนื้อไหมคือสลัดออกสลัดคืนคก็ใช้คำว่าพวกสักด์คือความปล่อยวางสลัดคืนก็ได้คือควางออก อ, อย่างสมมติจิตของพระอรหันต์แบบที่แบบที่เป็น อ, อนุปาทิสิสะุสะปาทเสิสินิพันธาอย่างเงี้ยนะคือยังมีเวทนาอยู่พอมีเวทนาปุ๊บมันจะมีตัณหากับต่นี้ทําไงอ่ะพระอรหันต์ไม่มีตัณหาวางตัณหาเดียวนั้นเลยสมมุติมีเวทนาใช่ไหม ชอบไม่ชอบชอย่างเงี้มีเสร็จปุ๊บมันจะมีความอยากละวางเดี๋ยวนั้นได้เลยเพราะว่าสติมันไหวทีนี้ถามว่ามันไม่มีจริงๆั้มมันก็เกิดแล้วก็ดับไปทันทีนะแต่ของปุถุชนนี่เกิดแล้วว่ายังมีตัณหายึดต่อเนื่องไปอีกอย่างงี้จนกระทั่งเป็นปัญหาขึ้นมาต่างๆนานาทีนี้ของพระริยาเจ้าที่เป็นสักขุปาทิเศสนิพานท่านก็คือปุ๊บแล้วก็วางเลยท่านวางได้เลยวางตรงนั้นได้เลยไม่เกิดอบทานก็คือสลัดทิ้งสลัดคืนตรงนี้ครับ โอปปทานจะไม่เกิดแน่นอนเพราะตันหามันดับตั้งแต่ตัวตนามแล้วซึ่งถามว่ามีพุทธวจนะอะไรมาซัพพอร์ตคําพูดตรงนี้ก็ไอ้ที่พุทธวจนะที่บอกว่าตันหาดับกลางสายไงปฏิจจสมุปาทที่นิยมพูดกันว่าดับกลางสายดับกลางสายนั่นนะซึ่งตรงนี้เป็นพุทธวจนะที่หมายว่าคําว่าดับกลางสายเนี่ยไม่ใช่เป็นพุทธวจนะนะ<อ>แต่เป็นพุทธวจนะที่ไล่มาไล่มาจนตั้งถึงเวทนาเวทนาถึงตันหาแล้วก็ดับตันหาตรงนั้นพระพุทธทาเรียกมาแล้วก็ กุรอจันรุ่นหลังท่านก็เรียกตามมาว่าเป็นดับกลางสายดับกลางสายนะ่ะครับซึ่งพระอาหารหันต์ประเภทที่ยังมีเวทนาอยู่ก็จะเป็นลักษณะนี้คือมีเวทนาปุ๊บแล้วก็วางได้ครับอืงนก็ลักษณะเดียวกันที่ว่าพอเรามีอารมณ์เกิดขึ้นปุ๊บเราวางทันทีสลัดคืนไม่ให้มันเกาะอยู่ครับก็านะวางให้เร็วก็เป็นตัวที่ชี้วัดเรื่องความาจเจริญความความไวใช่ใช่ครับและนี่ก็คือ พูดถึงเรื่องตรงนี้มีคำถามอะไรเปิ่นเตงงิมไหมคุณหมอรัตพงศ์มีของคุณผู้ศึกษาปฏิบัติครับท่าน อ, อ๋อวะไไงล่ะท่านกล่าวถึงเรื่องของสมาธิที่ไม่มีปิติอืมใช่ใช่ครับเหมือนกับท่านดูพระสูตรมาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเคยเจริญสมาธิที่ไม่มีปิติก็เลยเหมือนกับว่าเออเอกตอนที่เจริญฌานว่า ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามที่มีละปิติละถึงปิตกปิจารปิตินนสุขอันนี้เป็นเรื่องตอนต่อที่เคยพูดอยู่ในอยู่ในห้าเล่มนี่แหละพระธประวัติจากพระโอษฐ์ที่บอกพวกพระอนุรุตต์ทั้งหลายที่ว่าเจริญสมาธิที่มีปิติบ้างไม่มีปิติบ้างมีอุเบกขาบ้างอะไรต่างมีสุขบ้างมีอะไรเนี้ยนะ ท, ทั้งหมดเลยแล้วก็จะทําให้มีความฉลาดในสมาธิ นะ <ừ m. S 1> พอคือคือตรงเนี้เป็นคําอธิบายของการที่เป็นผู้ฉลาดในการดํารงอยู่ในสมาธิครับที่อาตมาเคยพูดอยู่ในรายการบ่อยๆนะว่าคุณต้องมีความฉลาดในการดํารงอยู่ในสมาธินะมีความฉลาดในการเข้าสู่สมาธินะตรงนี้แหละตรงนี้แหละ <ừ m. S 1> ตรงนี้แหล ะ, ละที่อธิบายต่อเน<ห>ื่องกันว่าเออฉลาดในการดํารงอยู่ในสมาธินี้เป็นยังไง <ừ m. S 1> คุณต้อง ด, ดํำรงได้อยู่ทุกแบบมีปิติก็ได้ไม่มีปิติก็ได้แล้วมีอุเบกขาก็ได้ไม่มีอุเบกขาก็ได้มีสุขบ้างไม่มีสุขบ้างเนี่ยครับอืม เป็นต้นนะคือเราต้องฉลาดในการดํารงอยู่ในสมาธิเนี่ยแหละเป็นพุทธวจนะที่อธิบายว่าสามารถที่มีอํานาจเหนือจิตและจิตจะให้จิตดํารงอยู่อย่างไรก็ได้อันนี้ก็จะเป็นคําตอบอันหนึ่งที่เป็นพุทธวจนะในคําถามของคุณอมณีเนตคุณอ๋อจะเชื่อมโยงกันใช่ลักษณะนี้ก็มีอเกิดขึ้นได้ครับสมาธิจะมีปิติก็ได้หรือไม่มีปิติก็ได้ครับใช่พอเจริญแล้วอย่างนี้เนี่ยก็จะทําให้ เหอเห็นแจ้งนำที่เป็นจริงมัาเออเป็นของเกิดดับนี่นาไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยวางซะวางอว่างนั้นตรงวางนี่แหละก็คือกานสลับคืนครั บ, รบโอเคก็แม่ชัดเจนคำถา ม, มงวดนี้รู้สึกเชื่อมโยงกันกันดีนะครับน้องคุณหมอธพง์แล้วก็มาพูดก็หมามในบันรข่าวต่อไปเรื่อง่าว่อวินัยวินัยของรพระที่จะพูดถึงในกราวหน้าก็คือการรับประเคนของ หลักเกณฑ์ใช่ครับที่เราครับเรื่องนี้ก็มีความลาบากพระมากเหลือเกินจะในพูดถึงในคราวต่อไปด้วยจะได้แบ่งปันกันครับครับแล้วก็มาพบกันใหม่ในคราวต่อไปคุณมารุ่พงศ์ครับก็กราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุโนแห่งวัดป่าดอนายโศกจังหวัดอุดรธานีครับเช่นพ้องครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับสาธุสาธุ